สัพเพสังขาราอนิจจติยะาปัญญายปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียงอทนิพินธิติทุเขเเอสะมโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณกัาประชาพระมหาภัยบูนอาภีปุณโณมาพบกับธรรมะฟังเป็นประจำทุกวัน ในตัววนาการเรามีนัดกันในการทำจิตให้สงบในเวลาปัญญามสุดท้าแห่งราตรียอย่างนี้เมื่อตัมบุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนั่งตั้งกายตรงทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความลียเก้นมาปฏิบัติสมาธิกันสักประมาณ60นาที เรามาทำเรามาปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องหวังอะไรเตมฟังดางั้นปฏิบัติธรรมนั้นคือการไม่เอาอะอะไรเราเอาอะไรอ่ะก็ไม่เอาอะไรจะเอาระไรแค่พัฒนาเฉยๆความอยากไม่เอาแต่ว่าฉันจะต้องอยากได้สมาธินั่นก็ฉันทะดูให้ดีฉันทะมันก็มีส่วนของความเพียรเอาตรงความเพียร น, นั่น พัฒนาตรงนั้นเริ่มต้นจากการมาสังเกตดูลมหายใจของเราวันนี้เราจะทำให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอ น, นัตตานั่นคือปัญญาจะให้เกิดปัญญาได้ต้องมีสติจะให้มีสติได้ต้องมีเครื่องมือคืออาณาปานะสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ กุญแจมือจริงๆแล้วมูฟังมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกวา่าพุทธานุสติระลึกถึงกายกายเป็นยังไงหนึ่งก็เป็นกายยะาตาสติวันนี้เราจะเจริญอานาปานสติคือการมาสังเกตเห็นลมหายใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดา เพราะเนื่องจากว่าจิตของเรานั้นมีธรรมชาติที่จะไปตามอารมณ์แสสายไปตามสิ่งที่เห็นผ่านทางตาไปตามรสที่ลิ้มผ่านทางลิ้นกลิ่นที่ได้ดมผ่านทางจมูกรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะแสไปซ่านไปวิ่งไปซึมไปสับีิทันชจคือเพลินไป การไปหาแบบนั้นเป็นธรรมชาติของจิตที่เหมือนงูชะไปสู่จอมปลัวที่เหมือนสุนัขบ้านพอได้ยินเสียงเจ้าของเรียกมันก็จะไปสู่หมู่บ้านหรือสุนัขจิ้งจอกพอได้กลิ่นซากสัตว์มันก็จะไปป่าชา้านกก็ธรรมชาติก็มันจะบินขึ้นฟ้าเจระเค้มันก็ธรรมชาติมันจะลงน้ำ หรือลิงธรรมชาติก็มันไม่อยู่นิ่งมันก็เข้าปา่านั่นเป็นธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นนี่ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่มักจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งที่รู้ที่เห็นไปตามช่องทางต่างๆเหล่านั้นการไปตามนี้นั้นนั่นนะ่ะพระพุทธเจ้าเรินเรวะเพลอนเลยแล้วคล้อยเคลื่อนไปแล้วไหลไปแล้ว หรอีกหนึ่ง็คือส่งจิตออกแล้วแต่ส่งจิตออกนี่ไม่ใช่พุทธบทนะเป็นัพท์ที่ในทางนักปฏิบัติเขามักจะพูดกันส่งจิตออกแล้วเออแล้วจะเป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรหมายถึงจิตของเรามันก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงไปตามสภาวะของอารมณ์ที่เข้าไปสวยเข้าไปรับรู้เข้าไปกลัวกลัวเปลิ่นไปตามนั้นอ่า ภาานันกลิ่นนั้นรสนั้นเสียงนั้นภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจที่ก็จะมีความลุ่มหลงมีกิเลสที่เรียก ว, ว่าราคะโลภเกิดขึ้นหรือถ้าภาษานั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจก็จะขยะันเกลียดจังจีตก็จะเพลินไปตามอารมณ์นั้นด้วยความโกรธมีโทสะ มีความขัดข่องมีความไม่พอใจจีก็จะถูกเผาอยู่ด้วยราคะโลภะโทสะยังรวมถึงโมหะด้วยซึ่งถ้าถูกเผาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขละท่านฟังมันก็จะขึ้นขึ้ น, นลงๆจะใสาา่สะดุง้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เรื่องราวสิ่งที่เปลี่ยนไปนั้น สิ่งทียว่าเพลินไปภายนอกอยังรวมถึงความคิดในใจด้วยนะความคิดในใจที่เรียกว่าเป็นดมมัมมารุมเราจัดว่าเป็นอริยธรรภายนอกมางคนคิดวนอยู่ในหัวคิดวนอยู่ในหัวคิดวนอยู่ในหัวเรื่องเดิมๆนั่นแหละคิดวนก็ไปทํำไมเป็นอย่างนี้แต่ไ ม, ไม่เป็นอย่า ง, งานั้นที่คนนั้นก็ ย, ยังเป็นอย่างนี้ที่คนนั้นก็ยังไม่เป็นอย่า ง, งานั้นในกุลสีแล้วนะความทุกข์นี่มันสะดุ่งขึ้นสะดุ่งลง สิรอบจิตมันก็จะประสาทเป็นประสาทยอยู่งหนก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าพัฒนาต่อไปอเป็นโรคจิตประสาทประเภทอื่นๆเป็นบุคคลสองบุคลิกบ้างหรือทำให้อารมณ์แปรปรวนมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีหลายอย่างดูมาฝังเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังพระบิดาชาบจิงสอนให้ระมัดระวัง ประมัดระวังนั้นคือสติให้ตั้งสติเอาไว้ เ, เพื่ออะไรเพื่อให้ให้จิตที่มันมีธรรมชาติแสาสายเวลามารมเนี่ยมันได้รับการอย่างน้อยคือรักษาไว้เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราตั้งสติขึ้นสตินั้นจะเป็นเหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาหลักที่ให้สัต์ทั้งกชนิด ม, มันมักจะไปตาลิงเข่าปลาน ก, ก บ, บินขึ้นฟ้าพูกพูกไว้ด้วยเชือกกับเสามันไปไม่ได้คือจะไปอยู่แต่มันไปไม่ถึงไปอยู่แต่มันก็ไม่ร้อยเปเซน์มันยังติดจะ น, อนีอยู่ไว้คือเชือกไว้เราจะทำยังไงให้มีเสาเป็นหลักอยู่ในใจิตใจของเราคือสติงไงทูกฝัง จะตั้งสติขึ้นได้ใช้เครื่องมือทดลองดูในที่นี้คือลมหายใจเรามาทดลองให้สังเกตดูลมหายใจของเรายัางเป็นธรรมชาติธรรมดาคือวนลมไม่ใช่สติไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดเจอะนึกพุทโธสัมมาอรังพิจารณากายสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สตินะทุกฝั่ง แต่การมาเลึกถึงนึกถึงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเครื่องมือนั้นต่างหากความเลิกได้นั้นน่นะคือสติเรามาทดลองทำดูโดยการมาสังเกตลมเวลาเราสังเกตลมเราไม่ต้องตามลมเราไม่ต้องบังคับลมแต่ให้ลมนั้นเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาสังเกตอยู่ณนะที่ตำแหน่งเดียว นี่คือวิธีการปฏิบัติสังเกตลมหายใจอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวเขาก็รู้ออกก็ดูไม่ตามเข้าไม่ตามออกจุดที่เราใช้สังเกตในวิธีการนี้ก็คือจุดที่เราสังเกตได้นั่นแหละเราพอจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตรงไหนตั้งจิตของเราเอาไว้นะที่ตรงนั้น คำตัง้งจิตไว้ในที่ตรงนั้นหมายถึงมาสังเกตดูตรงนั้นปกติแล้วมันก็จะอยู่ในโพรงจมูกเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่ลมลมร้อนลมเย็นลมแอร์ลมพัดลมลมนั่นมากระทบตัวผิวหนังเราเราก็รับรู้สัมผัสได้ไม่ต้องออกเป๊ะมากเอาประมาณประมาณเฉยๆอาจจะเบ า, เบา อาจจะแรงๆเอาลองให้ใช้แรงๆสักสองสามครั้งดูก็ได้พอให้ใช้แรงๆสองสามครั้งรับรู้สัมำัสได้เอามันตรงนั้นดูอยู่สังเกตอยู่ไม่ตามไปอุปมาณนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับนายตวารคือยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูมีคนเข้าออกไม่ตามคนออกคนเข้าไป แต่สังเกตดูอยู่นะที่จุดเดียวคือบริเวณประตูนั้นคนจะเข้าคนจะออกเขาก็ดูอยู่ไม่ตามไปโดยจะให้ยามมาอยู่ที่ทางเข้าออกได้เขาก็ตั้งป้อมยามไว้ป้อมยามในที่นี้เปรียบเหมือนลมหายใจช่องทางเข้าออกนั้นเปรียบเหมือนหูจมูก ตาลิ้นกายและใจสิ่งที่เข้าที่ออกนั้นถ้าเป็นประตูตาก็คือภาพถ้าเป็นประตูหูก็คือเสียงเป็นประตูใจก็คือความคิดเป็นประตูลิ้นก็คือรสเป็นประตูชุมูก็คือกลิ่นมีห้าประตูรวมเข้าสู่ประตูใจมาประตูเดียวนี่แหละมีประตูเดียวคือประตูใจ ความคิดนึกเหมือนผ่านเข้าผ่านออกความรู้สึกมันผ่านออกผ่านเข้าคนที่เฝ้าประตูยาบนั้นคือสติต้องอยู่ในป้อมยามเรามากําหนดหมายถึงมาดูหมายถึงมาระลึกได้ไงการระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงสติเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ลมเป็นเครื่องมือแบบนี้ ในกรณีของการทำความเปียนะคือการสังเกตเพราะกุศลธรรมคือสติมันเกิดขึ้นในขณะที่เราสังเกตดูลมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับรู้สิ่งใดๆเลยเอก็เหมือนยามก็เฝ้าอยู่ประตูคนอยู่ในป้อมยามเอาถ้ามันมีคนเข้าห อ, อกเขาก็เห็นนะ่ะก็เหมือนกันณะเรามีสติอยู่กับมหายใจสังเกตดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย อ่ำก็มีคนเข้าคนออกประตูหูก็คือเสียงใช่ปะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยอ่ำก็มีคนเข้าคนออกประตูใจก็คือความคิดชิมลธรรมะรมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเออกจากกลางบ่ายใบเขาทำกับข้าวมีรถขยะผ่านมาเราก็ต้องได้กลิ่นนะ่ะก็มีคนเข้าคนออกประตูจมูกไงแต่สติไม่ลืมใช่ปะละ่ะไม่เปลอตามใบใช่ปะละ่ะนี่มันจึงจะทวนกระแสธรรมชาติ ที่จิตมักจะเพลินไปเพราะว่าถ้าปกติไม่มีสติใช่ไหมมันจะเพลินไปเลยแต่ตรงนี้มันเหมือนมีสติดึงเอาไว้อยู่ตรงไหนนะตรงลมหายใจเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมเพราะเราตั้งจิตไว้อยู่กับลมสังเกตลมลักษณะจิตที่มันจะคล้อยเคลื่อนเพลินไปตามสิ่งต่างๆนั้นจะลดลงเพราะอะไรมันมีเครื่องเกอะคืออะไรสติ ใช้อะไเป็นเครื่องมือลมหายใจมาตอนไหนนะตอนที่เราสังเกตนัื่นเรียกงว่าการทำความเพี้ยนสัมมาวายามะก็อยู่ตรงนี้สัมมาสติก็อยู่ตรงนี้ซึ่งสตินี้นั้นทั้งฝั่งเป็นทักษะเป็นทักษะหมายถึงถ้ายิ่งฝึกยิ่งทายิ่งเจริญยิ่งมีกาลังยิ่งได้เพราะลักษณะของจิตของเรานั้นคือถ้า เรามีการตรึก wow. เราใส่ใจไปทางไหนเราสนใจทางไหนจิตมันก็จนน้อมคลอยเคลื่อนไปทางนั้นจิตเราน้อมคลอยเคลื่อนไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็ครอบงำจิตมันก็มีพลังมันก็มีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาคือไมาถึงสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาเพราะว่าจิตนั้นให้กำลังกับมันเพราะว่าจิตนั้นสนใจในมันติดสนใจในมันเพราะเราเลื่อนไปในมันกลาเป็นเสียง เปลินไปทางหูแต่เป็นทางชมูกกับเพลินไปสู่กลิน่นเราเพลินไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เพลินไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังเหมือนกันตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกใช้ศัพท์ได้อย่างแยกข่ายมากเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องของนิรุตติศาสตร์หมายถึงภาษาจะมีการกาหนดบทเรียนชนะที่มีความรัดกุมรบอบคอ คือถ้าจะบอกว่าเพลินไปในมรรคท่านจะไม่ใช้คานี้ท่านจะใช้คำว่ามีสติในที่นี้เราตั้งลมหายใจไว้ระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติเราไม่ลืมลมเราไม่ลืมลมเราระลึกถึงลมเราระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้น มีกำลังมากขึ้นแล้วจะรักษาจิตเอาไว้ได้เพราะมันไม่สะดุ้งไงทำไมไม่สะดุง้งเพราะมันไม่เปลี่ยนไปตามอารมณ์คือเสียงผ่านทางหูธรรมอารมณ์ความคิดนึกผ่านทางใจกลิ่นผ่านทางจมูกทำไมไม่เปลี่ยนไปเพราะมีสติรักษาเหมือนสุนัขบ้านมันไม่เข้าไปในบ้านได้เพราะเชือกมันรั้งอยู่มันดึงอยู่เหมือน ลิงมันเข้าป่าไปไม่ได้ถึงแม้มันจะมีกําลังราว่าเชือกมันดึงอยู่มันรั้งอยู่มันไปไม่ได้ไปได้นิดหน่อยเท่าความยาวเชือกแต่มันไปได้ไม่สุดเหมือนกันจิทก็เราจะเปลินไปตามอารมณ์เสียงมันก็ไปไม่สุดทําไมเพราะเราไม่ลืมหลมไงมันเหมือนมีอะไรดึงอยู่นั่นแหละใช่เลยให้ที่ดึงอยู่นั่นแนหะคืออะไรกําลังสติพระอะไรเพราะเราไม่ลืม อะไรลมความไม่ลืมก็คือไม่เผลอไม่ลืมไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินก็นึกถึงลมได้ไงให้นึกถึงระลิกถึงลมได้คืออะไรก็คือสติไงสติจึงเกิดขึ้นแล้วก็รักษาจิตพอรักษาจิตไม่ให้สะดุ้งไปตามสิ่งต่างจิตก็จะมีความระงับลงระงับลงเบสิกมากๆไงท่าฟัง เบสิกมากๆพื้นฐานไม่ยากไม่ใช่แบบว่า revolutionary แบบว่าอะไรสมการทางคณิตศาสตร์เยอะแยะแบบอ้อธิบายไม่ต้องอะไรมันจิตของเราเรารับรู้ได้ทำให้เราจะรู้ไม่ได้หายใจเข้าออกอยู่ทุกวันเราไม่หายใจทิง้งแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจจิตเราจะมีความระ ง, งับลงระ ง, งับลง เพราะไม่สะดุ้งสะดืน่นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าไม่รับรู้อะไรเลยแต่มันจะก็อยระ ง, งับลงระ ง, งับลงตามลักษณะกําลังของสติที่มาขึ้นมาขึ้นสมาธินี่นะทุกผังมันไม่ใช่ของที่จะบังคับหูเข็นบีบขันเอาได้นะไม่ใช่นะแต่มันจะได้ด้วยความสงบระ ง, งับ ได้ด้วยความประณีดได้โดยขันที่ไม่ใช่ว่าบีบคันแต่ว่าต้องได้ด้วยความแบบเหมือนร้อยได้เข้ารูเข็มนะจะแบบบังคับแรงๆมันก็ไม่ได้จะช้าๆมันก็ทำงานไม่เสร็จสะกีมันต้องพอดีพอดีพอดีในลักษณะที่สติมีกำลังระดับหนึ่งเมื่อมีสติแล้วก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ นี่เป็นพุทุพจน์สำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติเราจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่หวังได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรนะเพราะสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวเพราะหัวมันไม่ได้ไปแสสายไปตามช่องทางหูรับเสียงลิ้นรับรสหรือเห็นภาพผ่านทางตาแล้วไง เพราะว่ามันได้สติตั้งไม่เพลินไประงับลงระงับลงระงับลงมันก็รวมลงรวมลงรวมลงรวมล ง, มลงถึงระดับหนึ่งเราจะรู้สึกเออมันสงบดีเป็นอารมณ์มันเดียวนั่นแหละคือเป็นสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นนี้ทําให้การรับรู้ของจิต น, นั้นก็ละเอียดลงละเอียดลงทําให้บางครั้งที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจ มันน้อยมากเหมือนกับว่าลมหายใจในี่มันหายไปคือลมหายใจมันละเอียดลงแต่ร่างกายก็หายใจตามปกติตามที่ว่าเซลล์แต่ละเซลล์มันต้องการออกซิเจนนั่นแหละร่างกายเขาปรับของเขาเป็นระบบออโตเมติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มที่มีการปรับของกระบวนการชีวเคมีในร่างกายอยู่แล้วอนั้นให้เขาทำงานไปเป็นอนัตตาไป ตามเงื่อนไขรปรัจจัยของเขาไปแต่จิตที่ไปสังเกตเนี่ยมันระ ง, งับลงไงนี่คือเราฝึกอยู่ที่เราทาอยู่พอจิตเรามีความระ ง, งับลงน้อยลงเบาลงการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะเบาบางลงไปด้วยการปรุงแต่งทางกายหมายถึงลงไมไายใจเบาลงร่างกายขยับขึ้ยื่อนน้อยลง การรับรู้มาทางกายอาการคันบ้างร้อนบ้างย็นบ้างปวดบ้างจะน้อยลงส่วนทางใจทางจิตนั้นก็จะมีความคิดเบาบางลงที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะลดลงลและแล้วส่รนที่มันลดลงลดลงนี่เราประครับประคองเอาไว้ให้ดีต้องประครับประคองเอาไว้ให้ดีม่นเปรียบเหมือนเวลาที่คนเขาถือหม้อ ที่เต็มไปด้วยน้ำมันงาปริมจนถึงขอบปากแล้วมันงาปริมเต็มจนถึงขอบปากหม้อแล้วทำไงอ่ะเอาเกว่าต้องประคับประคองหรือตื้อไปเหมือนกันถ้าจีกเรามันโอ้ยเต็มเปี่ยมขึ้นขนาดนี้มีสมาธิเป็นลมมันเดียวอเอราต้องประคับประคองให้ดีเลยประคับประคองให้ดีรักษาให้ดีอย่าให้มันเคลื่อนแต่มันเคลื่อนไปทําไง ตังขึ้นใหม่ไม่เป็นไรตั้งขึ้นใหม่ด้วยอะไรก็เรียกยามมายามนี่ไม่ให้ไปไหนนะอยู่ที่ป้อมยามตลอดถึงแม้ว่าป้อมยามเขาจะออกไปแล้วคือลมหายใระงับไปแล้วยามก็ไปไหนไม่ได้นะเก็อยู่ที่ป้อมยามตลอดถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามากออกมากยามก็ต้องอยู่ที่ป้อมยามใช่ไหมหรือต่องให้มีคนเข้าน้อยออกน้อยจะมาหลับในก็ไม่ได้นะยามมัต้องอยู่ที่ป้อมยามเหมือนเดิม สติต้องมีอยู่ตลอดแม้ในขณะที่จิตระ ง, งับลงแล้วก็ตามแม้ในขณะที่ไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามต้องรักษาประกับประกออบเาไว้ให้ดีทีนี้พอเราทําจิตให้เป็นนรรมเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะคือความที่จิตเป็นนรันเดียวเป็นหนึ่งในสองเสาหลักของการทําสมาธิเสาหลักที่สองคือวิปัสสนาที่เป็นส่วนของ ปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิชัดนี่ก็หาปัญญาข้อนี้แหละหาปัญญาคือญาณอนุตตรสัมมาสัมปธิญาณโพธิญาณญาณในการที่จะตรัสรู้ธรรมให้มันเห็นตามความจริงว่าเป็นยังไงสิ่งต่างๆเห็นแล้วจึงมาบอกสอน่าความจริงนี่เป็นอย่างที่จะกล่าวดังต่อไปนี้คือ สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงต้องเห็นด้วยปัญญาจะเห็นด้วยปัญญาได้จิตต้องเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ใช่เห็นด้วยตาไม่ได้ใช่เห็นด้วยคิดนึกเอานะแต่เห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่างกันยังไงเ อ, อ้เกด ตอนที่จิตเราไม่เป็นสมาธิเราก็คิดได้อะไรก็ไม่เที่ยงเราก็คิดได้โอ้ยยังพูดได้โอ้ยังจําได้ด้ําจาเนี่ยมันก็อยู่แค่ระหว่างหูคือในสมองใช่ไหมละ่ะคุณก็คิดเอาเลยสิ่งนั้นก็ไม่ถทียงสิงนี้ก็ไม่เทียงยกตัว อ, อย่างได้อันนั้นมันก็อยู่ในความคิดนึกไงเป็นสุดตรมิปัญญาจินตรมิญญปัญญาแต่ท่านว่าไงถึงใช้เป็นภาวนามยปัญญาคือเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ในจิตของเราเพราะว่าปัญญาเนีมัได้เกิดขึ้นตลอด เหมือนมีดอยู่ในฝักคุณไม Mind ่ได้จะชักออกมาแล <Moon S 1> ้วก็ฟันอยู่ตลอดมีดเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานอยู่ตลอดเหมือนรถจอดอยู่ที่ที่จอดรถไม่ได้ขับออกไปอยู่ตลอดมันจะมีเวลาที่มันจอดมีดจะมีเวลาที่ไม่ได้ถูกฟันจะต้องเก็บไว้เหมือนปัญญาเวลาที่มันไม่ได้ออกมาใช้งานมันก็เก็บไว้ไม่ใช่ว่าจะเอาออกมาใช้อยู่เสมอเสมอสมมติถ้าคุณเอามีดมา เอาดาบมาสําหรับออกรบนี่เอามาฟันต้นไม้ต้นหญ้าเวลาเดินทางไปโอ้ไม่ได้มีนี่ต้องเอาไว้ใช้เวลาสําคัญสําคัญเประเด็นปัญญามันไม่ได้ใช่ว่าจะออกมาอยู่ตลอดเวลานะทุกฝังมันออกมาเฉพาะเวลาที่มีภาษามากระตุกปุ๊บปัญญาควักออกมาเหมือนมีค่าสึกมาปุ๊บเราชักมีดมาฟันชักมีดออกมาชวเฉยๆบางทียังไม่ได้ฟันด้วยซ้ำจนกระทั่งข้าสึก บ, บุกมาจึงค่อยฟันค่อยแทง ปัญญาจะมีก็ต่อเมื่อมีพัสสะมากระทบโดยต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีสมาธิเป็นพื้นฐานปัญญาที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่คมมันจะเป็นแค่คิดนึกมันจะไม่ใช่ภาวนามัยปัญญาเพระพาะฉะนั้นพอจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราเอาตัวเรานี่แหละมาไกรกรวนตัวเราตัวเราให้เป็นภัสสะตัวเราก็เป็น รูปใช่ไมละรูปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุสีที่น้ำฝ่าลมมันก็สิ่งที่เรารับรู้อยู่ปัจจุบันเนี่แหละมันก็เป็นภาษานี่แหละให้เรามาพิจารณาที่ตัวเรากายของเรานั่งแต่สีรษะจนถึงพื้นเท้าเมื่อก่อนสักสิบปีก่อนไม่ได้เป็นอย่างงี้ไม่ได้เป็นอย่างงี้แต่เป็นวัยกลางคนผิวมันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมัน ตึงกว่านี้นี่มันเหี่ยวแล้วหรือผมมันก็ไม่ได้เป็นสีนี่เมื่อก่อนมันจะสีดำอยู่นี่มันขาวแล้วงอกบางก็มีหรือดวงตาไอ้บางทีมันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนต้องใส่แว่นแล้วหรือถ้ายังเป็นเด็กอยู่นี่เราพิจารณาย้อนไปอีกก็ได้เอาสมัยเป็นเด็กอูวตัวไม่ไใหญ่ปานนี้แต่พอตอนนี้เป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นร่างกายใหญ่โตขึ้น รองเท้าเปลี่ยนเบอร์กางเกงกระโปรงเสื้อผ้าเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าร่างกายมันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงไปที่เป็นอย่างาไรบารายเขาก็กินข้าวอยู่ทุกวันนอ น, อ ย, นอยู่ทุกวันร่างกายมันก็เปลี่ยนไงมันหมุนไปตามวงรอบของเขาเอานี่ไหนคือความไม่เที่ยงไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมแต่เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยนั้น คืออาหารอากาศสิ่งต่างๆที่มากระทบบางวันกินอาหารเผ็ดมากร่างกายก็ร้อนขึ้นบางวันกินอาหารหนักมากร่างกายก็ง่วงนอนเออมื่อบาีก็ง่วงได้บางทีก็ร้อนได้กินไอติมหน้าหนาวกินน้าแข็งหน้าหนาวโอ้ยิ่งหนาวยิ่งเ ย, ย็นร่างกายก็เย็นไปอีกแบบหนึ่งบางคนถึงหนัว่ากินน้าเย็นมากๆเร็วๆ หัวมันปวดหัวขึ้นก็เรียก i n f r ฟ e z e หัวมันจะแตกถูกบีบเข้าด้วยความเย็นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขปัจจัยถ้าเหตุแห่งความเกิดขึ้นปรากฏสิ่งนั้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นตามเหตุของมันถ้าเหตุที่ใช้มันคงอยู่ตั้งอยู่ยังมีอยู่สิ่งนั้นมันก็ยังคงมีอยู่ตามเหตุเงื่อนไขของมันนะ ต่เหตุที่จะให้มันคงอยู่มันหายไปสิ่งนั้นก็หายไปต่ไปนะ่ะตัวเราเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นได้มารดาบิดานี่แลมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการของธาตุสีที่มันจะมาผสมกันในลักษณะที่ให้เป็นชีวิตคืออินสีคือจะเป็นธาตุสีที่เกิดไม่ใช่จากกระบวนการของมารดาบิดา มันจะมัประกอบกันแล้วให้เป็นอินทรีย์คือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จห็นใช่ไหมถ้าคุณสร้างหุ่งงนยะต์อย่างงี้นะคุณเอาธาตุสี่นะมาประกอบกันแบตเตอรี่ใส่เข้าไปใ น, นกระถางไฟเอาเหล็กเอามา้าอะไรมาประกอบเป็นแขนเป็นขาใ น, นกระถางดินมีระบบให้รอหล็กมีระบบนิวเมติกใ น, นกระถางน้ำถ่านลมประกอบกันแล้วใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปเขาก็จะเรียกว่า artificial intelligence แต่มันไม่ใช่อินทรีย์เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่วิญญาณ มันจะมาประกอบกันในลักษณะที่ให้เป็นอินทรีย์เพราะมีวิญญาณการรับรู้เหมือนที่พ่อและแม่ทำไม่ได้มันก็เป็น artificial ใช่ๆก็เรียกว่าเป็นเสมือนนะ่ะหุ่นยนต์มันก็เส ม, มือนว่าเป็นมนุษย์แต่มันไม่ใช่มนุษย์จริงๆเพราะอะไรเพราะมนุษย์มีมารดาบิดาเป็นดนเกิดหมายถึงเพื่อจะให้มีการผสมกันของธาตุสีในลักษณะที่จะใ้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาคืออินทรีย์ จะเป็นอินทรีย์คือการมีชีวิตได้มันต้องมีการรับรู้คือวิญญาณวิญญาณก็มาประสมอีกอย่างที่สองมีธาตุสี่ชนิดที่เป็นอินทรีย์ประกอบกับวิญญาณและไฟคือกรรมสามอย่างนี้รวมกันจึงเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งขึ้นมาก็ของตัวเรานี้แหละของตัวพระมหาภัยบูรณ์ของตัวท่านบุฟัง ของทุกๆคนทุกๆ ค, คนเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีใครที่เกิดจะบ้องไม่ผ่ายนะอย่าไปหลอกเด็กเขาแต่ทุกคนเกิดจากพ่อและแม่มีกระแสะแห่งกรรมจุดไฟนี้ขึ้นให้เกิดกระบวนการการรับรู้คือวิญญาณในท่าสีที่เป็นอินสีคือชีวิตนี้เหตุปัจจัยเหล่านี้รวมกันเพราะว่าจึงเป็นเด็กชายขึ้นมาเด็กหญิงขึ้นมาคลอดโผล่ออกจากคันแม่มา เกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วด้วยเหตุมือไก่ปัจจัยจากที่ไม่มีเป็นมามีนา่นไม่เที่ยงจากที่ไม่มีนะแล้วมันมามีใช่ปะ่ะมันก็ต้องถ้ามันจะเที่ยงมันก็ต้องไม่มีอยู่ไปเรื่อยไงใช่ปะ่ะเออแต่ที่จากไม่มีมันนันมาเป็นมีเออมันคือไม่เที่ยงหละอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนคือบางคนจะบอกว่าไม่เที่ยงก็ต้องรอตอนที่มันแตกซะก่อน รอตอนที่มันดับซะก่อนรอตอนที่มันหายไปซะก่อนเฮ้ยนันชาไปแล้วเราต้องเห็นไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันโกิดเลยแต่ใน ต, ตอนที่มันมีอยู่ด้วยแล้วก็ตอนดับก็ต้องเห็นด้วยเห็นไม่เที่ยงก็ตรงจุดที่ว่ามันอาศัยเหตุมันไม่ใช่ว่าอยู่ตัวมันเองเดียวๆถ้าสิ่งนี้จะเกิดได้แล้วต้องมีเหตุเงื่อนไขนั่นแหละคือไม่เที่ยงนะี่ย ให้เห็นตรงนี้นะคือความสัมพันธ์ relationship ความเชื่อมโยงตรงนี้เราต้องเห็นตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงปัญญานะเห็นด้วยปัญญาคือถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาจะเป็นยังไงก่อนที่คุณต้องการเงินมากๆใช่ปะ่ะเาเงินจนไปทำงานเยอะๆกูต้องสร้างเหตุไงเอจะได้เงินสักร้อยล้านต่อปีต้องทำยังไงโอ้ยเ อ, เอาสักสิบล้านก่อนก็น้โอเคเอาสักสิบล้านก่อนอนะ ห้สิบล้านก็ต้องหาเดือนละหนึ่งล้านเอจะให้เดือนละหนึ่งล้านได้ก็ต้องหาวันละสามแสนอ่ะจะให้วันละสามแสนได้ขายอะไรอ่ะคงก็หาเหตุไปเรื่อยๆใช่ไหละ่ะหาเหตุแบบนี้แล้วแต่ถ้าคุณเพลินไปในสิ่งที่ทำนั้นโดยไม่มีสติใช่ไหมปัญญาไม่เกินน่ะมันก็จะเพลินไปในงานนั้นันดีก็จะมีปัญหาอะไรอื่นตามต่อมา แล้วแต่ว่าเพลินมากเพลินน้อยแล้วแต่ว่ากระบวนการที่ทํานั้นมันผิดศีลหรือไม่ถ้าผิดศีลปัญหา ย, ยิ่งตามมามากเพราะมีการเบียดเบียนมากมีคนที่จะถูกกระทบมากถ้าถูกศีลอาการกระตำนั้นก็อย่างดีปัญญาณนะั้นฟังจะไม่เกิดถ้าเปลว่าจิตเราไม่เป็นอารมณ์เดียวแต่ถึงแม้จิตที่เป็นอารมณ์เดียวแล้วอยู่ๆจะให้ปัญญาเกิดมันก็ไม่เกิดหรอกมันก็ต้องมีการพิจารณา มันต้องมีการที่จะน้อมจิตไปมันต้องมีภาษามากระทบปัญญามันจึงจะเกิดมีภาษาจึงจะมีปัญญาเหมือนมีภาษาจะมีสัญญามีภาษาจะมีเวทนาไม่ใช่ไปอยู่นิ่งๆจริงๆอยู่นิ่งๆมันก็เป็นภาษาประเภทหนึ่งในสมาธินะ่ะอา้าวปัญญาเราก็เห็นสมาธิดูความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เอาเดี๋ยวพึ่งปู่ข้อนี้ถดี๋ว้ว่ากันเอาตรงที่ว่าเราพิจารณากายของเรามานี่กายของเรานั้นมีมารดาบิดา เป็นดันเกิดเห็นดูอะไรปัญญาจากการอะไรคิดนึกเอานี่แหละถ้าเราคิดนึกปรุงแต่งเอาใช่ไหมด้วยสมาธิการปรุงแต่งเนี่ยเป็นลักษณะของสัญญาสัญญาจะเปลี่ยนเป็น ญ, ญาณได้คือสัญญาเนี่ยมันมาจากการฟังคนอื่นเขาคือตัวพระมหาไปบูุ์ไม่ได้ว่าแบบคิดเองนะคือฟังพระพุทธเจ้ามา ฟังมาคือก็รมชบาท่านมาเทียน้ฟังใส่กรอกสองรูหูแต่ผมก็อ่านมาและที่ครูบาอาจารย์ยืนยันสอนไว้ตามหลักฐานมีมาในพระไต ร, ป, ร, ป, ร, ป, รปิฎกจาวพระสูตรที่เป็นภาษาบาลีมีครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาแปลเป็นภาษาไทยไว้ให้เราเข้าใจเนื้อความที่เราได้ฟังมาเนี่มันก็เป็นสัญญาไงเป็นปัญญาของท่านอยู่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านฟังใส่หูเรามาแล้วเราจําได้ เป็นแค่สุตรตมยปัญญาเป็นแค่สัญญาสัญญานั้นก็คือสูตรตมยปัญญาเนี่ยคุณยังทรงจําได้มันยังดีมีปัญญาเหมือนตักมันยังดีกว่ามีปัญญาเหมือนหมอคว่หมอคว่ำนี่เขาใส่อะไรลงไปไม่ได้เลยถ้าเป็นตักนี่ไอ้ตรงนั่งอยู่มันยังได้บ้างแต่พอลุกไปมันเทกระจาดหนีหมดแต่ต้องมีปัญญาแบบหมอหงายคือเก็บเอาไว้ได้ยกขึ้นไปก็ไม่หาย ยังอยู่แต่ตอนนี้จะมีปัญญาแบบตักหรือมีปัญญาแบบหม่อไงายก็ตามปัญญานั้นยังเป็นสุตตมยปัญญาเป็นสัญญาพระอะไรเพร้อมเป็นความรู้ของคนอื่นเราจะเปลี่ยนสุตตามยปัญญาเปลี่ยนสัญญานี้ให้เป็นญาณขึ้นใหมให้เป็นความรู้ให้เป็นปัญญาเป็นดวงตาเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่กระจำได้ท่านผฟังคิดต้องคิดด้วย คิ ด, ค, ดคิดสิคิดสิคิดสิคิดดูดูอะไรดูกายทําไมเที่ยงไหมอยู่ตรงไหนเกิดจากอะไรคิดอย่างงี้มไหมนั่นคือจินตามียาปัญญากระบวนการมันเริ่มปัม่นละมึงก็จะได้เหนื่อยเขาไปใส่สารหมักลงไปแล้วก็ปั่นแล้วก็กวนอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งนี่เสียเลยมันจะบุยมันจะเน่าต้องปั่นปั่นปั่นปั่นคนคนไปเสร็จแล้ว เหมืนก็จะได้เป็นของแข็งขึ้นเนยออกมาเวลาเราพิจารณาปั่นลงไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิคิดเอาอย่างที่ว่าเออมันไม่เที่ยงจริงๆมีความเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วไงคงอยู่ล่ะคงอยู่มีอยู่นี่ก็เพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันยังดำรงอยู่ เธอว่า้าตุสีดินน้ำไฟลมนี้มันประกอบกันในลักษณะที่ชีวิตมันยังมีอยู่คงอยู่นะมันก็ยังตั้งอยู่ได้แต่อุณหภูมิปกติ37องศาหรือ 36.5 โอเคถ้าหนาวเกินไปใช่มบางทีทางยอดดอยอุณหภูมิติดลบอะเกือบติดลบอศูนองศาเงี้ยโอ้หนาวตายมีนะเอาทำไมหนาวตายก็เพราะว่าธาตุไฟมันน้อยไป มันทำให้ถ้าดดินๆมันประกอบกันอยู่ไม่ได้มันด้วยเป็นสัตว์เลือดอุ่นพอหนาวเกินไปตายได้ไม่เหมือนปลามันอยู่ในน้ำเย็นได้หรือว่าถ้าร้อนเกินไปอ่ะอย่างตอนนี้ทางซีกโลกใต้ในออสเตรเลี ย, ยโอ้มีพายุคลื่นความร้อนคนนี่ตายเป็นเบื่อเลยเพราะว่ามันร้อนมากสี 40, 50, 50่สิบห้าสิบคนอ้ไมตายได้อะ เพราะธาตุไฟมันมากเกินไปพอมากเกินไปแล้วมันไปนประกอบอยู่กับธาตุอื่นในลักษณะที่ให้ชีวิตมันสืบต่อไปได้อินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะมันไม่ได้มันก็ตายไปอยู่ไม่ได้เพราะเงื่อนไขปัจจัยที่ให้ดํารงอยู่นั้นหายไปเออไอตอนที่มันดํารงอยู่มันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยให้ดํารงอยู่เติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมีข้าวสุกและขนมสดหมายถึงอาหารที่กินเข้าไปกินอาหาร ประเภทนี้อากาศประเภทนี้หลายๆเผาพันธุ์หลายๆรอบหลายๆ ร, รุ่นหลายเจเนอเรชั่นผ่านไปร่างกายมันก็ปรับตามคนยุโรปก็จะออกมาลักษณะวจมูกโดง่งผิวขาวคนอินเดียก็จะออกมาลักษณะผิวคล้ำหน่อยก็อยู่ที่อินเดียไหนเหนือหรือใต้คนเอเชียก็เป็นแบบหนึ่งคนแอฟริกาก็เป็นแบบหนึ่งเปลี่ยนแบบลปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม แล้วความมีอยู่เป็นอยู่มันก็ทําให้เหตุปัจจัยเงื่อนไขนั้นปรับจูนกันไปหมดไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่เป็นหลายๆเหตุให้เกิดได้หลายๆผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นเงื่อนไขปัจจัยของการมีอยู่ดํารงอยู่ความที่มันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยนะเพราะมันมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้นี่แหละเขาเรียกว่าปริสภาวะที่เป็นทุก สภาวะที่มันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปสภาวะตรงเนี้ยเราเรียกว่าทุกขาลักษณะคือมีลักษณะเป็นทุกข์ทุกคือความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากไม่ได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปอาหารอากาศมีผลหมดโรคไปก็จะเจ็บมีผลหมดสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นทุก ที่ว่าอาศัยเหตุแล้วมันต้องเปลี่ยนเราเรี ย, รรยว่าอ น, นิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะมีความแปรป ร, รวนเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่เป็นการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยอื่นท่นใช้อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวของมันเอง เออมันจะเป็นตัวมันเองได้ไงถ้ามันจะเป็นตัวมันเองมันก็ต้องตัดสินใจมันเองได้ว่าฉันจะอยู่นะฉันจะไปแล้วนะฉันจะนิ่งนะฉันจะธรรมะนั่นอันนี้นะต่อให้คนที่เขาตัดสินใจเองว่าฉันจะอยู่หรือฉันจะไปเขาก็ตัดสินใจตามเงื่อนไขปัจจัยตามอารมณ์ของเขาไงอยากอยู่ฉันก็อยู่อยากไปฉันก็ไปไม่อยากอยู่ฉันก็ไม่อยู่ไม่อยากไปฉันก็ไม่ไปเอามันก็มีเงื่อนไขปัจจัยคืออารมณ์ของเขาอีกมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราอยู่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และอารมณ์ขึอยู่อะไรอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เกิดขึ้นเองอารมณ์มันอาจจะเกิดจากดินงฝ้าอากาศอาจจะเกิดจากอาหารอาจจะเกิดสิ่งจากกระทบอาจจะเกิดโรคไัยใกล้เจ็บได้หมดหลายอย่างตาหูชมูกลิ่นกายใจมากระทบกระทบแล้วมันก็ทําให้เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่สิตใจ ก, ก็เปลี่ยนแปลงตามมันไม่ใช่ตัวตนของมันหรอกแต่มันหมุนไปอย่างเงี้ยตามเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยอันนั่นหมักอันนี้บมักกระทบกันไปกระทบกันมาเป็นผัจจัแล้วสังขารแล้ว รุงแต่งแล้วท่านจึงว่าสังขารนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนัตตามันเป็นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาให้เราเห็นข้อนี้นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาให้เราเห็นข้อนี้นะคือถ้าเห็นด้วยแบบไม่มีสมาธินะเอาเราก็จะแบบไม่เห็นแบบนี้ แล้วเห็นยังไงคือมันจะเห็นด้วยความเป็นตัวตนยังไงเราขยับแขนขยับขาได้งไงฉันต้องการจะลุกไปตรงนี้ฉันก็ลุกขึ้นได้เลยเอสมองก็สั่งการผ่านระบบประสาทระบบประสาทก็ไปตามกระดูกสันหลังไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมัดนี้หดมัดนี้ยืดมันก็จึงออกมาเป็นท่า ย, ยกท่าย่างท่ายืนท่าเดิน หรือบังคับให้กล้ามเนื้อมัดนี้ขยับมันก็เป็นออกมาเป็นพูดเป็นธรรมไปนั่นไปนี่ได้ใ้ลักษณะที่เรากควบคุมได้ตามเงื่อนไขปัจจัยของมันนั่นแหละคือตามเงื่อนไขปัจจัยของร่างกายคืออินทรีย์คือชีวิตนี้ใช่ไหมธรรมชาติของมนุษย์เป็นยั ง, งไงมันคิดได้มันเดินได้มันพูดได้เพราะเป็นสภาวะหนึ่งเป็นภพหนึ่งเป็นชาติหนึ่งเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งดูนกฟลาเมโ ก, โกอย่างนะี้นะทุกฝัง มันจะงอเข่าไปทางด้านหลังเพราะเวลามันหาอาหารมันจะจิกปลาใช่ไหมถ้าเขามันมาชนอยู่ข้างหน้ามันก็จะชนปากมันธรรมชาติก็จึงดีไซน์ว่าให้งอเข่าไปทางด้านหลังเพราะมันก็ได้อาหารอาหารได้สะดวกแต่ว่ามนุษย์มันจะไปงอเข่าทางด้านหลังได้ไงมนุษย์จะไปงอเข่าทางด้านโอ้ยเข่าก็หักแล้วไม่ถ้าได้มนุษย์ก็ต้องงอเข่าไปทางข้างหน้านี่เป็นธรรมชาติของร่างกายเราเป็นแบบนี้ลองฝืนดูดิ อยากให้มันเป็นใช่ไหมลองทําดูเอาแต่อย่าไปทไํานะท่าฟังเดียวต้องไปโรงพยาบาเลเพ้อๆต่อกลับไม่ได้ด้วยแต่ไให้เราเห็นนะว่าถ้าคนไม่มีสมาธิตั้งจิตพิจนารณาไม่ถูกไม่มีสติเพราะเผลอเพลิ่นไปใช่ปะเขาก็จะเปลินไปตามไอ้สิ่งที่เขาควบคุมได้นั่นแหละเปลิ่นไปแล้วเป็นยังไงจะมีความพอใจมีความเพลินความพอใจความเปลินความพอใจนั้นเป็นอุปาทานอุปทานคือความยึดถือ ทำให้เกิดการยึดถือว่านี่แหละตัวตนอัตตาขึ้นมาทันทีไหนไหนในสิ่งที่คุณควบคุมได้ด้วยเงื่อนไขประจัยนั่นแหละเราก็จะคุณควบคุมได้เงื่อนไขประจัยก็เป็นอนัตตาป่ะใช่แต่พอมีอุปทานในสิ่งที่เป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอัตตาขึ้นมาทันทีโง่หรือฉลาดเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเพาเป็นอัตตาทานั้นที่มันก็เป็นอนัตตาอยู่ทนโทษหนะ นี่แหละคือหน้าที่ของนายช่างนายช่างคือตัญหาเขาจะสร้างเรือนเขาก็ต้องเอาชิ้นส่วนเรื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบมาประกอบกันเป็นเรือนขึ้นมาอุปกรณ์วัตถุดิบชิ้นส่วนนั่นคืออะไรกิเลสกิเลสก็มาจากความเพลินค ว, ความพอใจความเพลินความพอใจก็คือตันหาใช่ละ่ะ มันก็เอ า, าเครื่องมือมาให้เกิดความรักความพอใจในกายนี้พอเราเกิดความรักความพอใจในกายนี้นั่นคือกิเลสแล้วมันเป็นโครงเรือนขึ้นมาเลยเป็นตัวตนขึ้นมาเลยรู้สึกเป็นอัตตาขึ้นมาทันดีในอะไรในกายของเราที่มันเป็นยังไงอนัตตาเอามานุ่มๆเนีย น, นๆนะในช่างผู้ปลุกเรือนนี่พระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วเป็นวาจาครั้งแรกเลยคืออารมณ์คนที่บรรลุแล้วเนี่ยทุ่ฟัง มันก็มีเวตนาแล้วแหละแม้เกิดความทราบซึ้งขึ้นมาแต่งกลอนขึ้นไว้คำหนึ่งบอกว่าในขณะที่แบบพยายามจะแสวงหาทางหลุดพ้นไม่เคยเห็นเลยเจ้าตัวคนที่มาสร้างพบสร้างชาติที่เรามาอยู่ตรงไหนวันนี้เละเพิ่งจะมาเห็นว่าไอ้เจ้าตัวสร้างพบสร้างชาตินั่นคือตัญหาคือช่างผู้ปลูกเรือน ที่เขาได้สร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติสร้างความยึดถือให้เห็นว่าตัว ต, ตนเขาใช้อะไรสร้างใช้อุปกรณ์โรงเรือนนั่นคือกิเลสที่ทำงานของเขาคืออะไรคืออวิชชาอาวิชชาเป็นที่ทำงานของตัณหาที่สร้างพบสร้างชาติสร้างความยึดถือให้เราด้วยกิเลสเพราะเราไม่มีความรู้ความเข้าใจความไม่รู้ความไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชาใช่ไม มันก็จึงทำให้เกิดความเพลินความพอใจนั่นคือปัญหาไว้แล้วก็มีอุ ป, ปาทานความยึดถือมันก็จึงสามารถเกิดความพอใจรักใคร่ราคะโทสะมาเต็มน้อยกระตามมากกระตามมาแล้วมันก็เป็นตัวตนขึ้นมาเป็นครัวเรือนขึ้นมาเป็นบ้านเรือนขึ้นมารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาทาั้เรื่ที่มันไม่เป็นตัวเราของเรานั่นคือถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีสมาธิ เราก็จะเพลินไปเพลอไ ป, ป, อไปตัวอย่างเห็นง่ายๆทุกฟังเอาก็ามักของคนอื่นกับของเราอย่างเงี้ยโทรศัพท์มือถือของคนอื่นของเพื่อนเนาะที่เพิ่งซื้อมาด้วยกันอย่างเงี้ยก็เกิดก็มันตกแตกนีโอ้โกเขาซื้อมาพร้อมกับเราสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ของเราไม่ตกเออเราไม่ได้ยึดถือเราไม่ได้ทุ่มไปในสิ่งนั้นสิ่งที่ของเขาตก แต่พอของเราตกนี่โอ้ยมันจี๊ดมากเสียใจมากป้าอะไรตั้นแต่ที่ว่าก่อนโทรศัพท์เหมือนกันนะเอ้าแต่ว่านี่มั น, นของฉันแล้วมันเป็นของคุณตอนไหนนี่ถ้าดูผิวเผินด้วยความเบืิอใช่ปะก็ฉันซื้อมาฉันทางานมาฉันจ่ายเงินไปนี่มันสิทธิ์ของฉันนี่คือดูผิวเผินไงดูแบบว่าตามความเป็นอัตตาคือตัวตนมันเกิดขึ้นได้ไงถ้าดูทางธรรมเพราะมีอวิชชาครอบอยู่คือความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอะไร ไม่ก็จะว่ามันเป็นอนัตตาคิดว่ามันเป็นอัตตาพอไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นตามความเป็นจริงใช่ป่ะได้โอกาสของนายช่างเลยคือตัะหนัความทะยานอยาเอาให้สิ่งที่คุณพอใจไม่พอใจเพลินไปแล้วนั่นแหละจัดเลยจัดสร้างขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมาโดยความพอใจไม่พอใจราคาโทสะโมหะนั่นแหละจึงให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นตัวตนขึ้นมา มันทำงานพร้อมๆกันเดี๋ยวนั้นดินนิ้วพวกเกิดตันตีแต่ที่น่าสนใจในะทากฝัง่งคือถ้าเราตั้งสติให้ดีนะดินนิ้วพวกมันก็ดับทันดีเหมือนกันกําลังของกิเลสตัณหามีมากเท่าไหร่กําลังของมรรค ก, กาลังของปัญญากําลังของวิชาก็มีมากเท่ากันเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะให้กําลังกับส่วนไหนเราจะให้กําลังกับส่วนไหนอยู่ที่เราตั้งสติไว้ที่ใด ถ้าเราตั้งส ต, ติไว้อยู่กับความเลื่นความพอใจสิ่งของต่างๆนั้นนี่อันนี้คุณให้กำลังกับกิเลสตัญหาแต่ถ้าคุณตั้งสติเอาไว้ยอยู่กับลมหายใจกับกุงมือกับมรรคนี่คุณให้กำลังกับปัญญาให้กำลังกับวิชาเราให้กำลังกับปัญญาเราให้กำลังกับวิชาวิชานัาน้นกำลังนั้นก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเราให้กาลังกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหา น, านั้นก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี แต่กิเลสตระนัจะทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นเป็นตัวเราของเราแต่พอเราให้กำลังกับปัญญามรรคสมาธิวิชาปัญญาสิ่งนั้นนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆแม้แต่ปัญญาด้วยก็ตามก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นอ น, นตตตสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านจึงให้คิดนะทูฟังต่อไปออที่สอง เพราะเวลามันล็อกมันล็อกอยู่สองชั้นเสมอไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่างไม่น่าก็หลงังมันล็อกให้เราเพลินละแล้วมันก็ล็อกให้เราไม่เข้าใจล็อกด้วยความเปลินคือตัญหาล็อกด้วยความไม่เข้าใจนั่คืออวิชชาแต่เราจะแก้ปลดล็อกตรงนี้ให้เห็นด้วยความเป็นอนัตตาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นทุกข์เมื่อได้เห็นด้วยปัญญาว่า สังขารตั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตตาจะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิธานายว่าโอ้ยไม่เอาแล้วเห็นด้วยปัญญาจะเกิดความหน่ายความหนายนั้นไม่ใช่เบื่อเซ็งแต่เป็นเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งมันก็จะไปยึดถือสิ่งอื่นต่อไปไงแต่เบื่อหน่ายมันจะวางได้เบื่อหน่ายเพราะอะไรนะเพราะเห็นด้วย ปัญญาพอเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดจะเห็นได้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพราะเราเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เตยมเป็นทูกเปน็นนรตามีความแปรปรวนจะเกิดปัญญาขึ้นว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งใดที่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราเราทำไงกับมัน วางเสียวางเสียไม่ยึดถือนี่คือลักษณะที่ว่าปัญญามันตัดออกเพราะมันตัดออกแล้ววางได้แล้วเหลืออะไรจะเหลือสติเอาไว้จะเหลือปัญญาไว้ปัญญาของใครไม่ใช่ปัญญาของเราแต่เป็นปัญญาของปัญญานั่นแหละเ ป, เป็นมรรคเป็นปัญญาเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่มีอยู่เกิดขึ้นตามปัจจัยที่เราสร้างขึ้น ด้วยความเพียรมาตามกระบวนการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันบริสุิ์แปดอย่างคือมรรเป็นปฏิปทาให้เกิดการปล่อยวางได้พอวางแล้วเหมือนจะดับเหมือนไฟที่มันดับไปความที่ว่าจะคุ่กลุ่นว่านี่ทรงเป็นของฉันฉันต้องไปทํานั่นนี่มันดับดับนั่นคือจะเย็นไฟดับแล้วมันก็เย็นใช่ไหมล่ะเย็นนั่นแหละคือนิพพานนิพพานแบบ่าเย็น พอเย็นอยู่ในใจนี่แต่เพราะมันยังไม่หมดจริงๆนะวันที่มันประทูขึ้นได้อีกนะเออต้าอภิชามยังไม่หมดจริงๆอ่ะลมพัดมามันมุมๆมุๆมๆมมขึ้นได้เราฝึกทําไหมให้เห็นด้วยความไม่เตี้ยมเ ป, ป, ป็นทุกข์เป็นนันตาฝึกทําอีกทำแล้วทาอีกทําอีกทําแล้วซ้ําๆย้ําๆนี่คือธรรมบุตรบว่าภาษาต้นไหลายมันจะมีใจเป็นที่แล่นไปโูคือไม่ว่าจะเสียงก็เข้าสู่ใจผ่านดังวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็เข้าสู่ใจผ่านทางวิญญาณรวมลงที่ใจแล้วใจเราต้องมีสติรักษาใจต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าใจไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่มันจะกระจายไปที่ก็จะเวงคว้างวุ่นวายวุ่งชายไปทางอื่นแต่ใจในช่องทางนี้ต้องมีสติรักษาพอใจมีสติเป็นที่เล่อนไปสู่สตินั้นจะสามารถจัดระบบของจิตใจได้ ก็จะมีวิมุตต์คือความพ้นพ้นจากสิ่งต่างๆเป็นที่เรื่มไปสู่ความพ้นนี่บางทีมันก็กลับความเริบกลับไปกลับมาได้ฟุ้งซ่านไปได้กลับมาได้ไได ก, ไดก็แล้วแต่ว่ากําลังสติมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้ากําลังสติมีน้อยมันก็ฟุง้งซ่านไปได้เยอะเพลินไปได้เยอ ะ, ไไยอะแต่กําลังสติมีมากมันก็ไปสู่วิมุตต์คือความหลุดพ้นได้มากเพราะสติทำเกิดสรรนามสนุนให้เกิดปัญญาต่อไปเพราะเราวิมุตต์คือพ้นแล้วต้องใช้ปัญญาด้วยนะ ปัญญาในล็อกที่สองตัวนี้แหลวะว่าเห็นด้วยแม้ว่าจิตที่มันมีความเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานั่นนหะมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนนี้เหมือนกันอะไรนะมายึดถือจิตจิตเนี่นแหละมายึดถือจิตจิตที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ม, มัเป็นตัวตนนั่นแหละจึ่งทำใหมันเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะจิตมีอวิชาคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง คือถ้าเราจะเข้าใจว่าจิตเน ano, <alles S 1> Motorola, ี่ยไปยึดถือสิ่งต่างๆด้วยความเป็นตัวตนโอเคนี่เข้าใจถูกทีนี้พอเราเข้าใจถูกแล้วเราวางสิ่งอื่นๆต่างๆนั่นคือวิมุติเนี่ยทีนี้พอเราวางสิ่งอื่นต่างๆแล้วตัวจิตอยู่ไหนก็จิตก็ยังอยู่นี่แหละจิตที่อยู่เรากรู้สึกว่าถ้ามันเป็นตัวตนขึ้นมานั่นคือเข้าใจผิดจิตยังเหนียวิชาอยู่คือความที่เข้าใจว่าตัวมันเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนก็ต้องใช้กับจิตด้วยว่าแม้แต่จิตเองที่ไปรับรู้สิ่งงงต่าๆสบแแลล้้ววเย็น บริสุทธิ์ปร่งใยแล้วเป็นประพัฒนสอนแล้วแม้แต่จิตเองนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเห็นด้วยความไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจว่าเอ้ยนี่มันจิตของฉันนะจิตนี้มันมีอยู่ในฉันนะฉันเป็นสิ่งนี้นะสิ่งนี้เป็นฉันนะอย่าไปเข้าใจว่ายอย่างไงนนะถ้าเข้าใจว่า ย, ยัางนั้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นที่ทํางานของตัณหาตัณหามันซ่อนอยู่ในนั้น่ะ พอมันได้โอกาสมันเพลินออกว่าทันทีวิมุตมันก็จะย้อนกลับได้นะถ้าวิมุตยังไม่สนิทจริงๆเนี่ยมันย้อนกลับได้มันฟุง้งซ่านกลับได้ต้องยังไงให้เห็นจิตด้วยเนี่ยแหละว่ามันไม่ใช่ตัวตนให้เห็นจิตเนี่ยแหละว่ามันยังมีอวิชาอยู่เปล่าให้ใส่วิชาลงไปคือความรู้ลงไปว่าแม้จิตนี้ที่เป็นปรจจุบันสอนนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะเปลี่ยนแปลงได้ เดี๋ยวไปรับรู้ได้เดี๋ยวสุกบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวเศร้าหมองบ้างเดี๋ยวผงสายบ้างเอาเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งอานาตามันน่ะไม่เที่ยงมันน่ะอันนี้จังเป็นทุกข์เหมือนกันน่ะเอาถ้างั้นไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราวางเสียวางเสียวางอีกแล้วเหลืออะไรอีกวางแล้ววางอีกนะแต่กี้ก็วางแล้วใช่ไหมนี่วางอีกวางแล้ววางอีกก็เหลือสติอีกเหลือปัญญาอีกอะไรีกเอาเรานี่ยอะ มีอะไรวางให้หมดเหลืออะไรวางให้หมดวางให้หมดแล้วเหลืออะไรเหลือว่างว่างนะมฟังเหลือความว่างความว่างนั้นคือเย็นๆนั่นคือนิพพานนิพพานแล้วนิพพานอีกเอาระ ง, งับแล้วระ ง, งับอีกเลียแล้วละเอียดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่พิจารณาไปทำไปเห็นไฟังรักษาจิตที่มีความสงบประกอบด้วยปัญญานี้ไว้ให้ดี ในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประัมในทุกวันอ า, ารตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหรือว่าตามกรฑกายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสา ม, มารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ d o n h a i o c o หรือว่าในระบบพอดแคสต์ข้าพเาพระมหาไพบุญอาภีปุณโญ พบกัม่ในวันพรุ่งนี้จุริลปัน